นีกมาขึ้นคำพีเ น, นติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงวิพัติหาระนนะคือหาระว่าด้วยการจำแนกซึ่งการจำแนกนั้นจำแนกสามอย่างคือจำแนกธรรมะจำแนกภูมิจำแนกปัฐานนีนะสประการด้วยกันในเนื้อหาของ วิพัติหารานั้นได้กล่าวถึงสูตรเนี่ยมีอยู่สองอย่างสองสูตรหรือว่าสูตรอยู่สองประเภทคือสูตรประเภทวาสนาภาคยะกับนิเพทะภาคยะปฏิปทาก็มีสองอย่างอีกก็คือปุญยาปฏิปทากับพภะภาคยะส่วนศีลมีอยู่สองอย่างคือสังวรศีลกับปะหานาศีล ถ้าปหาหนศิศีลนั้นตามคําอธิบายแล้วเน้นไปที่มร์ศีลในมร์ผลเน้นที่ศีลในมร์ผลเพราะว่าผู้ที่ฟังธรรมประเภทว่าสนาภาคยะเนี่ยนะเมื่อได้ฟังธรรมประเภทนี้ถามว่าเขาทํำยังไงต่อไปนะฟังธรรมเรื่องอ น, นิสงค์ของการไหว้พระเจดีย์แล้วทําไงโดยมากก็ไปไหว้พระเจดีย์กันเลย ฟังธรรมในเรื่องการให้ทานก็เลยให้ทานกันฟังธรรมเรื่องการรักษาศีลเอาบ้างเอาบ้างวันนี้โยมเขาบอกว่าโอ้นี่ยเนี่เขารักษาอุโบสถเป็นวันที่สองแล้วนะว่ากันอุโบสถที่แล้วครั้งที่หนึ่งนะวันนี้เป็นอุโบสถครั้งที่สองเกิดมาเพิ่พรงรักษาครั้งที่สองนี่แหละว่ากันะ <S <S โอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋ดีละดีแล้ ว, ลวนะเพราะว่าอายุตั้งเกือบเจ็ดสิบแล้วเพิ่งรักษาได้สองวันนี่ก็ก็ดีกว่าไม่รักษานะ ก็ได้รักษาบ้างก็เขาบอกว่าตอนนี้กำลังฝังบุญยะนิทิอยู่เหมกันอันนี้เรียกว่าปฏิปทานในส่วนบุญบุญยะภาคิยะแต่ว่ากว่าจะรักษาได้นีส่สังขาริกอยู่สี่ปีท่านผู้นี้ก็จะปฏิบัติอยู่ในธรรมะเพื่อให้ได้อะไรนนก็ตั้งเป้าหมายเพื่อมรรคผลนิพพาน ตัวสภาวะที่เขาเจริญนั้นเจริญในส่วนบุญแต่ว่าการตั้งความปรารถนาของเขาก็เพื่อมักผลนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ส่วนพวกที่สั่งสมวาสนามามากสั่งสมบุญไว้เยอะพวกเหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จะแสดงธรรมะประเภทนิเพธภาคยะเลยฟังอริยสัจอย่างเดียวเ่านั้น ผ, ผู้ที่มีบุญมากนะเขาก็ฟังอริยสัจเลยเมื่อเขาฟังอริยสัจอย่างนี้เขาก็ตั้งอยู่ในปฐานะคุณธรรมประเภทมุ่งละโดยประการทั้งปวงมุ่งละโดยประการทั้งปวงพนั้นเขาก็สามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนดำรงอยู่ในสามัญญผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผล เพราะว่าพระสูตรประเภ ท, น, เทภเนิเพทภาคยาเน้นประกาศอริยสัจอริยสัจนั้นในยุคหลังๆมาก็เป็นธรรมะที่หาฟังยากผู้แสดงก็หายากผู้ฟังก็ชักไม่ค่อยชอบฟังมันจะสนุกได้ยังไงใช่ไหมชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังพูดแต่เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องตา ย, ยางี้ยนะดีตรงไหนตาก็เป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก เขาก็จะมองให้เห็นแต่ตาหวานเนี่ยซึ่งมันขัดความรู้สึกมากเมื่อมันขัดมากๆเขาก็ไม่ค่อยอยากกัฟัง น, นะแล้วก็พระสูตรประเภทนิเทพทภัทยะนั้นอนาคตต่อไปก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ไม่ต้องแปลกใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสคำเหล่านี้ไว้เมื่อสองพกว่าปีมาแล้วว่าพระสูตรใดที่ปฏิสังยุติด้วยสุญญาตา คำสูญตานี้คือความว่างคําสอนใดที่ประกาศถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกความเป็นอนัตตาและอสุภะประกาศถึงขันธ์ธาตุอายตน ะ, ะปฏิสังยุตด้วยโล ก, กุตระธรรมคือแสดงมุ่งประกาศมรรคผลนิพพานเป็นต้นพระสูตรเหล่านั้นในอนาคต ต, ต่อไปเขาจะไม่ฟังกันเขาจะไม่เห็นว่าเออมันน่าฟังตรงไหนก็จะไปฟังในสิ่งที่กวีเรียบเรียงรวบรวมขึ้นเป็นคาําไพเราะสละสลวย สละสุรอยในความคิดของเขาอะนะว่าเออเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะเนี่ยนะนอนาคตต่อๆไปอย่างคำภีเนติปรกรณ์นั้นก็นับว่าเป็นคำพีที่ที่ถูกลืมมานานเนี่ยนะทั้งถูกลืมด้วยแกล้งลืมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนั่นก็ถือว่าปัดฝุ่นกันเรียนใหม่นี่ก็หมดรุ่นเราเอกีก็น่าจะฝุ่นจับต่ออีกนะก็นก็เรียกเรียนไว้เธอเนี่ยนะ ก่อนที่คำพีจะหมดกับก่อนที่เราจะตายนะเพราะคำพียุคต่อไปก็ผู้ที่จะศึกษาก็น้อยลงไปนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มากนักเมื่อไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมที่เป็นไปเพื่อละกิเลสเขาก็จะไม่ค่อยชอบฟังนะอะไรที่มันเป็นไปตามกิเลสเขาจะชอบฟังเพราะเขาไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าว่า ละกิเลสแล้วมันดียังไงเนี่ยเคยคิดนะว่าเอ๊ะเนี่ยตันหาของเราเนี่ยถ้าถูกละออกไปแล้วมันดีจริงหรือดีจริงแน่นะแน่นะแน่นะกุฏกตาทละตันหาได้ดีจริงแน่นะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออันนี้ต้องต้องยอมรับด้วยใจจริงก่อนลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้ารู้เห็นพิษภัยโทษของตันหาเมื่อไรเราก็ยินดีที่จะปฏิบัติเพื่อละตันหาเท่านั้น ไม่งั้นเราก็จะมีเงื่อนไขมีเหตุผลมีข้อต่อรองต่อพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยอันน้าจะเป็นอย่า ง, ง น, นั้นนั่นน้าจะเป็นอย่างนี้มีข้อต่อรองเต็มไปหมดเพราะเรายังเห็นอสสาสะของตัญหาเรายินดีที่จะเพิ่มปุ๋ยให้วะตะัตถุเนี่ยนะมีต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าบุคคลรดน้ําพรวนดินทุกวันนนไม่ได้พรวนถึงรากแก้วนะก็คือพรวนแบบธรรมดาให้ต้นไม้มันงามเนี่ย แล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําดูแลอย่างดีป้องกันมแมลงถามว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะเมื่อไร่หนอต้นไม้ต้นนี้จะตายสักทีไม่ตายมีต้นไม้นี่มีแต่เจริญเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฉันใดผู้ที่ตามเห็นอุปาทานขันห้าว่ามันน่ายินดีตามเห็นขันห้าว่า น, น่ายินดียิ่งตามเห็นเท่าไหร่วัดตะก็เจริญขึ้นตามนั้นตามนั้นตามนั้น นิยต์ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดเนี่ยนะขุดเริ่มขุดรากต้นไม้เริ่มขุดไปถึงรากแก้วเห็นรากแล้รา ก, รากแก้วของต้นเนี้ยพันเนี่ยมันไม่ดีมีอยู่สามรากใหญ่หญ น, นะขุดแล้วก็โค่นค่อยๆสับรากตัดรากแล้วมันก็โค่นล้มลงโค่นล้มล ง, ลงก็มาสับมาทําเป็นกองฟืนแล้วก็เผ า, าเผาเสร็จก็ไปลอยแม่น้ำํำนะต้นไม้ต้นนี้ก็สิ้นซากฉันใด โทที่ตามเห็นขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเห็นความน่าเบื่อหน่ายของขันห้าผู้การบอกชอบคําว่าสัพพะโลเกยานะพิรตาสัญญาเหมนคือคือเห็นความไม่น่าอภิรม์แม้แต่นิดเดียวความไม่น่ายินดีของอุปาทานขันห้าเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีขันห้าขันไหนหรอกที่ไม่นํามาซึ่งทุกขตาสามนีนะทุกขทุกวิปริณามทุกขสังขารทุกข ไม่มีขันสักขันเดียวเลยที่จะนํามาสร่งความสุขที่แท้จริงฉะนั้นขันเนี่ยจึงเป็นภาระมากขันเนี่ยจึงเป็นโพลตร์ว่าเป็นทุกขธรรมทุกขธรรมเพราะทุกทั้งหลายสารพัดทุกเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันห้าฉะนั้นผู้ที่ตามเห็นพิษภัยของขันห้าตามเห็นโทษของขันห้าจนสามารถกําจัดฉันทราค่าในขันห้าได้ก็ถือว่าเป็นอัญยุติการสร้างขันห้าสักที บางคนก็บอกออโทษก็เห็นนะแต่ว่ายังชอบอยู่ก็ตอนนี้มันก็กำลังเรียกว่าวัตตปฏิปทาก็กำลังดำเนินวิวัตตปฏิปทาก็กำลังดำเนินควบคู่ตีขนานกันไปดูว่าใครจะชนะนะวัตตะก็เออมันก็ไม่เลวร้ายเสมอไปหรอกนะว่าไมีส่วนดีอยู่บ้างนะเาอ อ, ออกจากวัตตะก็เรื่องดีนะนะก็ดูว่าปฏิปทาฝ่ายพระพุทธเจ้าหรือฝ่ายเราจะชนะ สาทุกขาให้ฝ่ายพระพุทธเจ้าชนะถ้าฝ่ายเราชนะเฝ้าทุกเฝ้าขันท่าในยุคนี้เป็นยุคที่เราสอนให้เชื่อให้เชื่อตัวเองให้มากเข้าว่างนั้นเป็นยุคที่ให้เชื่อตัวเองให้มากถามว่าความคิดอันนี้ดีหรือไม่ให้เชื่อเราเอาไว้มากๆนะเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะเราต้องเชื่อตัวเรานะเราต้องมั่นใจตัวเองเนี่ยนะถามว่าดีหรือไม่ทำไมไม่ดีเราเชื่อตัวเองให้มากๆากเลยดียังไงถ้าไม่ ถ้าไม่เชื่อตัวเองแล้วเราเชื่ออะไรแล้ว เ, เชื่อว่าอย่างไงถ้าเชื่อเหลือตัวเองนะสมมุติถ้าเราเชื่อเรานะถ้าเชื่อตอนราคะเกิดราคะมันพาไปเอ อ, هنا, อนี่อย่างนี้นน อ, นอย่างนี้นะปัญหามันก็สอนอย่างเงี้ยการมาสันท่นนี่วนมันก็สอนเราไปถ้าเราเชื่อตอนมันโทสะนะอย่างนี้มันต้องด่านนะะถ้าเราทําตามตอนนั้นนะโทสะนําไปอีกกันนะเออนี่มันง่วงแล้วนะเออเชื่อมันหน่อยให้มันพักผ่อนบ้างนะหลับบ้างนะครับ ทีน่มันก็พาไปใช่ไหมเอออย่างนี้มันต้องเดือดร้อนสิกุกุจ่ามันก็เกิดอีกนะเราก็เชื่อมันอีกเอออย่างนี้มันน่าสงสยัยมันต้องสงสัยสิเนี่ยนะวิจิกิจฉาก็พาไปเชื่อเราทั้งหลายเนี่ยนะเชื่อเราเราเนี่ยเราทั้งหลายมันนิบวนกลุ่มรุมเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้สมัยพุทธกาลก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นราฐานพระพุทธเจ้าเป็นมูลนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคําใดที่พระพุทธเจ้าตรัสคํานั้นเป็นเช่นนั้นแหละ ในยุคลังหลังว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยไว้วางใจพระพุทธเจ้าเพราะทำไมเขาจึงไม่ค่อยไว้วางใจพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่รู้คุณของพระองค์เลยไม่รู้อรหันตแต่คุณเป็นต้นของพระองค์ว่าพระองค์คือพระอรหันนะพระองค์เป็นผู้รู้จักมารรู้จักวิสัยมารรู้จักความพ้นจากมารทางให้ถึงความพ้นจากมารพระองค์รู้พระองค์เห็นพระองค์ทราบพระองค์ทาให้แจ้ง พระองค์ก็เลยเอามาสอนเนี่ยนะต่ผู้ที่สัตทินทรีน้อยเนี่ยนะก็ไม่ไม่เห็นว่าปฏิบัติตามคำสอนอน่ะดียังไงเนะเหมือนกับลูกทั้งหลายในยุคนี้ที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าทำตามคำของพ่อแม่เป็นเรื่องคร่ำครึโบราณมากศีลธรรมเป็นเรื่องโบราณฟังแล้วมันน่าเบือ่อเป็นต้นเนี่ยนะก็ทำให้เห็นว่าเดี๋ยวตอนหลังก็ผิดพลาดทุกทั้งหลายก็ตามมาละ ั้ถ้าเราทั้งหลายเดินตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำศรัทธาในาพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นเช่นนั้นแหละทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้จริงไปดูบางแห่งชอบคําว่าเคยได้ยินนะเราอาจจะได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วชาณาตาปัสตารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเนี่ยชาณาตาพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ ปัสตาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นอรหตาผู้ทรงเป็นะ้าหันสัมมาสัมพุทเทนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่คำนี่เป็นคำที่ดีมากธานตาเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้พรองรู้อะไรรู้ว่าอันตรา ย, ยกรรมรู้ทมที่จะทำให้เมื่อมันเป็นอันตรายจริงๆก็คือพวกสมุทัยศาสต ร, ร์ทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นอันตรายพระองค์รู้อันตราย รู้อันตรายไม่ว่าจะเป็นกิเลสกิเลสอันตรายอันตรายคือกิเลสอันอันตรายคือกรรมอันตรายคือวิบากอันตรายคืออกุศลพระองค์รอบรู้ในเรื่องอันตรายคือคือรู้จักกิเลสเป็นอย่างดีเลยว่าสภาพของกิเลสนั้นเขาเป็นอย่างไรพระองค์รู้จักโอคะโยคะคันธะรู้เลยว่ามันเป็นอันตรายยังไงมันเสียหายแค่ไหนอันนี้เรียกว่าพระองค์ผู้ทรงรู้รู้จริงๆด้วยรู้ถึงพิษภัยของบาปอกุศลน ปัสตาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นทรงเห็นหมายถึงเห็นอะไรก็คือเห็นทางที่ทําให้ถึงความพ้นทุกเห็นอริยมรรคเห็นสติปัฏฐานเห็นสมมาปัฏฐานเห็นอิทิบาทเห็นอินทรีย์เห็นธละเห็นโพษชงเห็นอริยมรรคมีองค์แปพระองค์เห็นและพระองค์เจริญอย่างนั้นด้วยเมื่อพระองค์เจริญอย่างนั้นก็เป็นอรหัตตาใช่ไหมผู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลส กำจัดข้าศึกศัตรูภายในคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักเป็นผู้ที่ควรรับเครื่องสากสาระไม่มีความลับในการทําบาปประกรรมคือไม่มีบาปในทุนทกที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวงอันพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเทนะก็คือเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนั้นพระองค์นั้น แสดงประกาศแต่งตั้งอริยสัจทั้งหลายก็เพื่อที่จะนําให้สัตว์นั้นพ้นจากกองทุกพ้นจากวัตทุกข์เขามาเชื่อเลยนะว่าถ้าใครดีใจที่ได้พิจารณาอริยสัจเชื่อเลยว่าเขาน่าจะทําที่สุดทุกได้จริงเชื่อจริงๆด้วยว่าเขามีศรัทธานในการพิจารณาอริยสัจเพราะการพิจารณาอริยสัจนี้เป็นเบื้องต้นของอริยมรรคการคิดเรื่องอริยสัจเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคผลนิพพาน ันผู้ใดเห็นว่าวัตตะร้อนรนเพียงใดเนี่ยนะอริยสัจเขาจําต้องพิจารณาให้มากเพียงนั้นแต่ทีนี้อริยสัจมันต้องสี่ประการนะสี่ประการใช่ไหมทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจนั้นมีอยู่สูตรหนึ่งพระ อ, องค์บอกว่าผัสสะยตนะสสาสผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่ยนะอันนี้คือทุกขสัจที่ต้องเอามาทําปริญญาให้ให้ดีมากๆเลย เรียกเย่อๆเลยนะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะหมายถึงว่าโลกิยาภาษาสะ81อมาคิดให้มากๆเอามาคิดพิจารณาให้เยอะๆภาษะในทวารหก็ได้ภาษาทางปัญญาทวารก็ได้ทางมโนทวารก็ได้พิจารณาให้มากๆพิจารณาภาษะกับต้องไปภาษะนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนให้พิจารณาภาษานะไม่ใช่ให้ไปภาษาบางคนน่าจะรู้ภาษาจริงก็ต้องไปภาษาก่อน ีภาษะบางอย่างก็เดือดร้อนนะพระภิกษุด้วยภาษะบางอย่างปราชีตภาษะบางอย่างสังฆาทิเศสนี่นะพวกภาษะหลายเรื่องนะถ้าเป็นทางโลกก็ภาษะบางอย่างผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเสียหายมากยาเนี่ยนะนะเรารู้โทษก็พอไม่ต้องไปเสพเองหรอกยาบ้าเป็นต้นนะเนะี่แต่ให้รู้ว่าภาษะมันเป็นอย่างนี้นะคือปัญญาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปเห็น อย่าลืมว่าเจริญวิปัสนาเจริญปัญญาเจริญปัญญาปัญญานี้อยู่ในมโนทวารที่เราเจริญไม่ได้ไปเจริญปัญจทวารพระองค์เนี่ยผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรากําหนดรู้ทุกรำปริญญาในกองทุกนะนีทีนี้ถามว่าสมุทัยละ่ะสมุทัยสมุทัยนี่อวิชากับภาวะตันหานะถือเอาตรงนี้เป็นหลักเข้าไว้นี่จะเบามากๆเลยถือว่าเนี่ย กิเลสนะไม่รู้มากประชั่งให้รู้สองตัวนี่พออวิชากับภวะตันหาเพราะมันเป็นรวมมูลของวัตถที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจตันหาคือความเพลิดเพลินในขันห้ารู้เธอสองตัวนี่เป็นสิ่งที่มีโทษความไม่รู้ถือว่าเป็นโทษไม่รู้ด้วยแล้วเพลิดเพลินในวัตถุแห่งทุกข์เหล่านั้นด้วยก็มีโทษงนั้นสิ่งที่จําเป็นต้องละมากต้องละจริงๆเลยคืออวิชากับ ภวะตันหาตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิปัสนาหรือวิชาเนี่ยตรงกันข้ามกับตันหาก็คือสมถะทั้งหลายส่วนนิพพานเนี่ยนะทำเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่เราต้องทําให้แจ้งก็คือความสงบจากวัตะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะความสงบวัตะโดยประการทั้งปวงส่วนข้อปฏิบัติเนี่ยนะถามว่าทำยังไงก็ไปทําปริญญาไปละไปทำอันนั้นให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่า ข้อปฏิบัติหลายคนสแสวงหาข้อปฏิบัติอันอื่นจากตามเห็นอริยสัจอันเนเออเมื่อไหร่จะสอนให้ไปปฏิบัติบ้างเนาะเขาว่างั้นเอางี้นี่ให้ไปคิดนี้ทุกข์ก็ไม่ค่อยคิดตามนี่แหละก็เลยม่พวกไม่ค่อยปฏิบัติตามอนนถ้าไปปฏิบัติตามจริงๆก็บอกนี้ทุกข์ก็ทุกข์อนะจริงๆนะนั่งอยู่นี่ทุกข์ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยใครไม่ทุกข์มั่งเอาทุกข์มากทุกข์น้อยตามสมควรแก่ โพธพายตนะใช่ไหมถ้าทางกายนะทางกายเนี่ยแล้วแต่โพธพายตนะปัทวีธาต์กาเริบปรทุกอีกเตโชธาต์กาเริบก็ทุกอีกวาโยธาต์กำเริบล่ะทุกไหมทุกอยู่แล้วนะแล้วก็วิปรินามาทุกอีกยิ้มไปเธอเดี๋ยวก็ถ้าเลิกยิ้มอะไรจะเกิดทุกก็เกิดเที่ยงไม่ล่าไม่เที่ยงนะนี้ทุกนะแต่ว่าทุกทุกทุกนะนำมาซึ่งตันหาวันยังค่ำ ทุกอย่างเลยนะทั้งทุกข์ทุกวิปริณนามทุก์สังขารทุกเนี่ยนำมาซึ่งตันหาอีกจนได้พราะองยังตรัสว่าเวทนาเป็นตัดใจจึงมีตันหาเนี่ยนะนั่นคือเหตุแห่งทุกข์อันถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายกําหนัดในวัตถุนั้นนะตันหาตามมาอีกจนได้อันท่าทำที่สุดแห่งทุกข์อนนั้นได้กําจัดฉันทะราค่าในทุกเหล่านี้ได้พ้นทุกแน่นั่นเชื่อมั่นอย่างนี้ไหม เรามีศรัทธาอย่างนี้ไหมมีใจปัก ด, ดิ่งลงไปลักษณะนั้นไหมถ้าไม่มีก็ต้องต้องสมทบเลยนะว่าเราจะต้องจะต้องเห็นให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ดีจริงแล้วค่อยว่านะสมมติว่าถ้าเราเลิกจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเห็นอริยสัจแล้วค่อยเลิกนับถือถ้าจะเลิกนับถือถ้ายังไม่เห็นอริยสัจอย่าเพิ่งเลิกเลยเพราะว่า จะเสียโอกาสไหมว่าถ้าเข้าถึงจริงๆนะี่นะบรรลุแล้วเห็นอนนี้ทุกสมุทยัยนิโรธมักเห็นในทุกผลทุกแห่งทุกอารมณ์เลยนะแก้ปัญหาให้เราไม่ได้จริงและค่อยออกมากนเนี่แต่นี่ก็ให้เห็นอริยสัจสักก่อนเนี่ยนะเห็นอริยสัจเอาไปคิดไปพิจารณาให้มากๆเพราะตัวเห็นเนี่ยนะมักเนี่ยมีอาจว่าทัศนทะัศนทโธทัศนาะมักมีอาจถาว่าเป็นตัวที่เข้าไปเห็นตัวเห็นนั่นแหละคือตัวปฏิบัติ เมื่อไรเนาะที่เราเห็นอริยสัจเมื่อนั้นเนี่เรียกว่าเราเจริญมัตต์กำลังปฏิบัติสําคัญก็คือทํำยังไงเนาะจะเห็นอริยสัจนั้นเป็นพระสูตรถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยพระองค์จะแสดงกับผู้ที่เกือบเกือบรรลุและถือเอาผู้บรรลุเป็นประมาณสมมติว่าในประชากรประชาชนมานั่งฟังธรรมเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ตามถ้ามีผู้บรรลุหนึ่งคนเนี่ยนะ ถ้ามีผู้บรรลุหนึ่งคนอยู่ณที่นั้นพระองค์จะประกาศอริยสัจถ้าไม่มีใครบรรลุเลยพระองค์จะแสดงพสูตประเภทวาสนาภาคียะถ้ามีผู้บรรลุหนึ่งคนอยู่ น, นั้นพระองค์จะถือเอาผู้บรรลุเป็นประมาณพระองค์จะไม่สนใจพวกไม่บรรลุถือเอาผู้บรรลุเป็นประมาณข้าสมมุติว่าสมัยพุทธกาลเลยนะพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก่อนผู้จะได้บรรลุ ก, กับไม่ได้บรรลุก็แบ่งงี้นนะ บรรลุเท่าไร่ไม่บัลลุทเท่าไรแบ่งแล้วก็มาไม่บรรลุไม่ต้องสนใจไม่อวสเรว่าไม่มนสิการมนสิการแต่พวกจะบรรลุแล้วพวกบรรลุก็แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแบ่งตามหกลุ่มตามจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเป็นต้นเนะแบ่งตามกลุ่มเมื่อแบ่งจริตเสร็จก็มาดูว่าสูตรไหนเหมาะกับแต่และจริตใดเนี่ยนะและใช้พยัญชนะอัฏฐอย่างไรเนี่ยนะ แสดงเขาก็บรรลุเลยเพราะฉะนั้นจบปั๊บก็บรรลุส่วนพวกที่ไม่ได้บรรลุฟังเอาบุญนั่นแหลก็ได้บุญไปแล้วที่ได้ฟังเรียมาดูว่าต่อไปอนิดหนึ่งว่าพึงใส่สูตรอนะอัดสี่ประการเหล่านี้เป็นสูตรที่ที่แสดงอัดในหน้า61ิวิพัติหาระนะกลางหน้าพึงใส่สูตรแสดงอัดท่าสี่ประการเหล่านี้โดยประการทั้งปวงด้วยเทศนานยะ ด้วยสามัญญพลด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์แล้วพิจารณาด้วยวิจยะหาระแล้วประกอบด้วยยุติหาระจนถึงภูมิแห่งปัญญาความรู้เนี่ยนะอันนี้เป็นการวิพัฒ์เป็นการเอามาจำแนกจริงๆเรัการจำแนกนั้นจำแนกอย่างกว้างขวางที่กล่าวว่าพึงใส่สูตรที่แสดงอัดสีประการเหล่านี้สูตรที่แสดงอัดสีประการมีอะไรบ้าง 1. วาสนาภาคยะสูตร สนิเพทภาคยะสูตรสามสังกิเลสะภาคยะสูตรสี่อเสขภาคยะสูตรเนี่ยนะก็สประการเหล่านี้แสดงสูตรนะนส่สูตรทั้งสี่ประการสูตรนี้สรุปว่ามีสี่ประเภทนะวาสนาภาคยะกับนิเพทภาคยะสังกิเลสะภาคยะกับอะเสขภาคยะเมื่อ พระสูตรเนี่ยเป็นตัวที่บ่งเป็นตัวที่ประกาศลักษณะของธรรมะอย่างนี้แล้วก็มาดูว่านยะแห่งเทศนาเนี่ยพระองค์เทศนาอย่างไรผลของเทศนาเนี่ยนะโดยเฉพาะสามัญญผลเป็นอย่างไรนะแล้วปฏิบัติให้บรรลุปฏิบัติ ด, ด้วยศีลอย่างไรด้วยพรหมจรรย์อย่างไรก็เอาวิจัยาหาระวิจัย11อย่างมาวิจัยต่อไปวิจัยโดยสิอนะมีอะไรบ้าง วิจัยโดยหนึ่งคำถามปุจ ช, ชานะสองคำตอบคือวิสัชนาะพิจารณาด้วยบทพิจารณาความสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังพิจารณาอัศสสาธาอาท์ธีนวานิสรณะนะผลอุบายและอนัตเนี่ก็มาดูข้อยุติเนี่ยนะยุติว่าข้อยุติก็ง่ายๆว่ายุติตามวัตตะหรือวิวัตตะเนี่ยนะเพิงใส่แสดงในที่ไหนแสดงไว้ในสูตรคืออริยสัจ ในวินยัยคือกำจัดกิเลสและก็ใสาไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทอย่าะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จนถึงภูมิของปัญญาจริงๆสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ก็ปัญญาในเบื้องแรกก็สู่ตมยะปัญญาก่อนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเราเชื่อเราเองไม่ได้หรอกเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรนะ งั้นถ้าเรามีปัญญาตามพระพุทธเจ้าเราก็มาพิจารณากรรมมสกตาปัญญาเนี่ยนะกรรมมสกตาปัญญาก่อนน่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องแรกงั้นกรรมมสกตาปัญญาเนี่ยนะก็แบบโลกานิโรท่สูตรนะว่าวิธีสร้างตาสร้างยังไงเนี่ยนะวิธีสร้างหูสร้างยังไงสร้างจมูกสร้างยังไงสร้างลิ้นสร้างยังไงสร้างกายสร้างยังไงตาเนี่ยมาจากเหตุกี่ประกานิถิธรรมอนัตตาสีจักรวิญญาณภาษาเวทนา เป็นผลของที่ถ้มทำได้ไหมนนะนะเป็นผลของกรรมในชาตินี้ของเราได้ไหมเป็นผลในอดีตชาติถอยหลังไปได้ไหมที่เรียกว่าอุปชาถอยหลังไปอีกเป็นผลของอัปราปรยะได้ไหมทีนี้เมื่อเราหลังจากเห็นเราก็ทํากรรมใหม่อีกใช่ไหมกรรมที่กําลังทําอยู่นี้เป็นที่ถ้มทำได้ไหมเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมได้ไหมเป็นอัปราประเวทนิยกรรมได้ไหมนั้นแสดงว่าเป็นการคิดหกกลุ่มใช่ไหม แล้วอย่างว่านะก็ปัจจุบันผลที่มีอยู่สาวไปหาอดีตเหตุปัจจุบันเหตุที่มีอยู่ควรจะมองอนาคตผลเนี่ยนะทุกอย่างเลยนะให้มองอย่างนี้เอาไว้พูดถึงแม้กระทั่งตามทวาวรต่างๆเนี่ยนะถารหเลยทุกทวาวรเลยนะเมื่อมีการมนสิการอารมณ์อะไรก็ นึกมหาฝ่ายเหตุเป็นผลของกรรมที่ทำในชาตินี้ได้ไหมทิฏฐธรรมนไวิบากที่เรากำลังรับอยู่นะเช่นการเห็นการได้ยินทั้งหลายแหละเนี่ยเราพอรู้ได้ไหมว่าเป็นผลของกรรมในชาตินี้เพราะบางอย่างมันก็ตรงๆเหมือนกับตรงตัวมากๆเช่นโยมคนหนึ่งแกบอกว่าแกชอบหยิบของคนอื่นโดยอธินาทานเจตนา อันเวลาของหายปั๊บนะก็บอกสมควรแก่เหตุ น, นะนะบอกว่าเป็นไปได้แค่ชาตินี้ยังทําเหตุไว้แล้วอ่ะนะอันนะี้ทิฏฐธรรมก็ได้สองชาติที่แล้วเป็นไปได้ไหมอุปัชฌเวทนียกรรมเนี่ยนะนะแล้วก็สาอปอราปริยะเวทนิยกรรม น, นะนะพันทั้งภาษาทรูปตัวปัจจยุบันนะภาษาทรูปทวิปัญจาวิญญาณ พวกสัมปติชนนะสันตินะที่ที่เป็นผลเนี่ยนะเราก็สามารถผลอันนี้แล้วสาวไปหาเหตุในอดีตทุกครั้งที่มีการรับอารมณ์ถือว่าเป็นการทำกรรมด้วยแล้วก็มาแบ่งชาวนดวงที่หนึ่งดวงที่สองถึงดวงที่หกแล้วก็ดวงที่เจ็เนี่ยนะก็ดูว่าทาเหตุอะไรบ้างนะทิฏฐธรรมหนมะ ในชาตินี้เรียกว่านิย ธ, ธรรมให้ผลชาติหน้าเรียกอุปัชชาเวทนิยกรรมให้ผลในชาติที่สามต่อไปเรียกว่าปราปรยะเวทนิยกรรมก็หลักก็มีอยู่แค่สี่ประการนะถ้าใครโครงสร้างปฏิจจสมุปบาทได้ ก, ก็ง่ายก็คืออดีตเหตุใช่ไหมปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุ อนาคตผลนั่นนะอันนี้ก็หลักการเขาก็มีอย่างนี้ฮชซึ่งความรู้อันนี้ถือว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นที่ที่ต้องมาฝึกคิดเลยทุกครั้งแม้กระทั่งที่เราเห็นเนี่ยเอามาคํานวณได้เลยการเห็นของเราเป็นผลของอะไรบ้างทิฏฐธรรมอุปชาอาปราปรยะเมื่อเห็นแล้วเราคิดอะไรนี่คือการทํากรรมใหม่นะแล้วที่ทำเนี่ยมันควรจะมีผลอย่างไรต่อไป ก็ทีนี้มันไม่ใช่ให้ผลครั้งเดียวนะตัวที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวกรรมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ว่าทําเหตุหนึ่งแล้วมันให้ผลหนึ่งที่ไหนใช่ไหมบางทีมันให้ผลติดกันห้าร้อยชาติอยนะ่างนั้นนะครั้งเดียวเนี่ยก็เกินพอแล้วบางทีถ้าอย่างนกฮูกตากลมตาใสดูพระพุทธเจ้าด้วยสัทธานนะโอ้โหนั้นไม่ไปสู่ทุกคติตั้งดานน่ะเห็นด้วยจิตที่เลื่อมสายเนี่ยดูว่าบุญขนาดไหน ถามว่าที่ใครถลึงตาดูพระพุทธเจ้าด้วยความโกรธอะไรจะเกิดขึ้น น, นะมีโทษขนาดไหนแล้วก็ดูเอากันแล้วกันพิจารณานนะ